โลกุตระรมโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญาไม่เอาอะไรไม่เอาทำท่านไหนไม่เอาผู้ถึงพระไตสศนคมไม่ถชื่อที่อื่นมาปนเป ถือเอาเรื่องดียามดีมาปนเปย์ดีก็ถือว่าใจหรือถือว่าตนเป็นผูท้ทําดีชั่วก็ถือว่าตนเป็นผู้ทําชั่วถือว่ากายวาใจายใจเป็นผู้ทําชั่วดีก็ถือว่ากายวาใจายใจเป็นผู้ทำดีไม่ได้เพียงโทษหรือไม่ให้คุณให้โทษไปในทางดินน้ำไฟลมไปในทางวันเดือนปีทิจันทร์วันังคารสุขรกขนาดสรกฎเสาร์นี้เราดียามดี ไม่ได้ให้คะแนนไปทางนั่นไม่มาให้และไม่ได้บุกไปทางนั่นทำนดีำำก็ยึดใจนผู้ทำดีทำชั่วก็ยึดใจผู้ทำชั่วไม่เพ่งโทษไปทำอื่นทางอื่นเลยลนั้นเรียกว่าความจริงเบื้องต้นของพุปสรรค์นะเรียกว่าสมาธิเบื้องต้นและก็ไม่สงสัยจะล่วงศีลหาด้วยและก็ไม่สงสัย จล่วงออาภายยมุกรวยและเขาไม่สงสัยในจิตในใจว่าจะจองเวีนท่านผู้ใดรู้วยาเขาทําพิดใจก็ไม่จองเวียนเคยทำิดเขาก็าให้เราออกไปซักเขามาก่อนหน่อยไปใ้เราไปสักแต่กปวดอยู่ว่าไม่ถึงกับจองเวีนเพราะกระทบกระเทือนจิตที่ไม่ชอบ รั้งกระเทือนหยุที่ไม่พอใจจะไม่โผโกรธได้สติล้ำชาส่วนชิดด้นหน้าไม่เสียดายวงละเมิด <c oughs> ส่วนอบายยมุกทุกประเภทก็ไม่เสียดายลวงละเมิดยอมตายต่อพระพุธทธธรรมประสงค์ไม่เสียดายแก่ชีวะเก็บป่วยมาก็หาว่านหายา มารักษาสิ่งที่พอดื่มพอฉันพอกินก็กินสิ่งที่พอทาพอต้องทาพอพอกก็ต้องพอกเชื่อยาเท่านั้นหายก็หายไมา่หายก็ยอมตายถาปานาไม่ได้ถือเรื่องดียามดีผีตัวน่านมาทำผีตัวนี้มาทำไม่มีไม่ใช่นายหลวงระมือศีลห้าข่าสัตว์ไม่ใช่นาย ร, รักทรัพย์ก็ไม่ใช่นายไม่ใช่นายอยากรักครับ ไม่ใช่นายอยากจะพูดผิดประพฤติผิดในคามของผู้ที่มีห้องแหนเช่นลูกผัวลูกเมียเขาเป็นต้นเช่นผู้ที่เขาห้องแหนบุตรที่นาหลานเหลียญเขาเป็นต้นไม่ใช่นายอยากจะพูดปดเลยเห็นได้ว่ามีไม่มีประโยชน์ทั้งตนวในท่านผู้อื่นตนก็ไม่มีประโยชน์ท่านผู้ฟังเขาไม่มีประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ได้อยากจะฆ่าสัตว์เพราะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาก็ตายด้วยเราด้วยเขาก็จะมาเป็นเวรเราด้วยอยก่กไปเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาก็จะมาแค้นเราด้วยเขาผลต้องกรรจะตามจะหองนักทรัก็เหมือนกันนักจะเข็มเล่มหนึ่งก็ไม่ใช่ได้ใชด้จากน่าทัพย์หรือพุทธเพียรกรรมก็เหมือนกันมุสาวาทก็เหมือนกัน ดื่มเชรามีอะไรก็เหมือนกันถ้าจะาสงกับยาก็ไม่ให้มีกลิ่นมีสีนะไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้อยากจะพไมิชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาเขาบอกว่าเชิญดื่มโุราครับพอแล้วก็วมีโรคประจำโรคอะไรยกมือแสงหว้โรคอะไรก็โรคบาปนั่นเอง ก็ลอวเพชรหินเพชรทำนั่นเองแต่เราไม่อธิบายจะอธิบายมันเป็นความยาวพระผู้ดื่มเขาพวกที่เขาดื่มชราเนี่ยเขาไม่ฟังคำพระธรรมจักพุทธเจ้าเสียแล้วเราไปจะปเทศเอาเขามันก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นเองเห็นนั้นเราจึงไม่เทศเอาเขาเพราะเขาไม่เห็นเองแล้วพูดไปเป็นกลางๆเลยแต่สมมาทพุทธเจ้า เ, าเทศเขาก็ยังไม่ ไม่เอาแล้วก็พูดไปเป็นกลางๆเลยแต่ในเวลานั้นเราไม่เอามาพูดเรามันบาปหรือมันไม่บาปว่ามันจะทะเลาะกันเม่เสร็จไม่ชนนายอยากจะคบมิตรช่วยด้วย mm hmm. แต่มให้กระเทือนเขาไม่ชนนายอยากค้าขายเครื่องขวาชัดดักจับน้าฉันบกก็ดี หรือสาตาอาวุธเครื่องค่าเครื่องแกงเครื่องฟ้าผลานไม่ใช่ได้จากค้าขายจะได้กำไรกี่ ล, ล้านก็ไม่ใช่ได้เลยไม่ใช่ได้ค้าขายมนุษย์ก็ข า, ขายมนุษย์มีหลายประเภทก็ข า, ขายให้เป็นขี้ข้าเขาทำงานก็มี ค่าขายให้กเขาล่วงและเมื่อกา ม, มาลมก็มีนี่ไม่ใช่ได้ไม่ค่าขายไม่ใช่ได้ค่าขายสัดเป็นสักเป็นคืออะไร น้องปูน้องปลาก็ดีโครกระบือก็ดีเรื่องเป็ดเรื่องไก่ไหว้ขายก็ดีเรื่องโครเรื่องกระบือไหว้ขายก็ดีเรื่องหมอนก็ดีไม่ใช่ได้ไม่ค่าขายเนื้อสัต์อีกด้วยแล้วมาสั่งให้เขาทํำมาให้ด้วย พรุ่งนี้จะมาเอาเนื้อเท่านั้นโรเท่านี้โรไม่ได้สั่งเขาเลยมีก็เอาไม่มีก็ไม่เอาพรุ่งนี้จะมาเอาเนื้อด้วยจะทําบุญ น, นั้น อ, น, น, นอันนี้จะไม่งานนั้นอันนี้เพราะเอาเนื้อมาให้ว่าแล้วขอให้โปรธมาให้บ้า หรือฆ่าตายไว้ใว่ า, า, าไม่มีไม่มีในพระโจดาบันนี่ก็เอาไม่มีก็ไม่เอาและก็ไม่ใช่ไดายด้วยไม่ใช่ไดายจากหลวงละเมอด้วยไม่ใช่ไดายจากข้าขายนาเมาอีกด้วยเ้นธุรามีอะไรเป็นต้นตลอดถึงองเาวของเข่าตลอดถึง เบียทีนี้นที่มันมืนเมาไม่ชนายอยากจะขายยาพิษยาปราพืชก็ไม่ชนายอยากจะขายการค้าขายสิ่งเหล่านี้พระพุทธวานไม่ชนาใจ่วมทัง ห, หมดเลยเพราะมีสัมมาทิติเข้นชอบแล้ว และไม่ลหลงไหลว่าชาวโลกจะเป็นอื่นนอกจากอนิจจังใดใดในโลกล้วนอนิจจังใดใดในโลกล้วนทุกขงังใดใในโลกล้วนอนัตตาไม่ต้องสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเหตุนั้นความเพลินในวัฏฏะสองสารของท่านพอยุบตัวลงให้าทานรักษาศีลภาวะนาะก็มีเงื่อนไขอันเดียวเพื่อพ้นทุกในวัฏฏะสองสารเท่านั้นไม่มีเงื่อนไขอันอื่น พระได้อุดมคติแล้วการพนันทุกเฮ็ดก็ไม่ใช่หนาอยากร่วงละเมิดเป็นผู้สมาธิเบื้บางต้นแล้วจะเดินโยมกรมภาวนาะทำท่าทำทางเพือเี่ยงในข้อตามถ้าใชีได้ร่วงละเมิดสิงเหล่านี้อยู่แล้วมัน ก, ไก็ไม่ใช่โลกุตระจิตไม่ใช่โลกุตระธรรมไม่ใช่โลกุตระธาต ไม่ใช่โรคุตระขันไม่ใช่โรคุตระอินทรีอินทรีแปลว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในทางที่ไม่คิดได้ทำความผิดในตอนหยาบๆนี้ความผิดตอนหยาบๆนี้นั้นพระโสดาบันร่วงไปแล้วข้ามไปแล้วไม่ใช่นายอยากจะมาทามาร่วงมันก็ตรงกับ วันเดือนขึ้นข้างข้างขึ้นบานหน้าไปสู่วันเป็นแต่ไม่กลับมาแรมอีกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วว่ามีหลายบางทีมีร้ายขติบางทีก็โผล่ขึ้นมาเป็นดอกบวัวตูมด้วยเมะ่อเทามันเป็นดอกบัวตูมแล้ว ตามก่านนั้นลงไปเป็นดกอกบัวอยู่ใต้น้าพราหลายบางทีบางทีก็โผล่ขึ้นมามาง่ายบางทีงท ก, ก, งงทก็ไม่โผล่มาเป็นภักษาแห่งปลาละเต่าเป็นส่วน ม, มากนี่ธรรมพุทธศาสนาะก็ไม่มีมากมีเท่านั้นทำเบืองต้นที่จะบานหน้าไปสู่พระนิพาวถ้าไม่อย่างนั้นก็จะหวังเลย เป็นคนอยู่น้าหลายวนคนลายใจจะบวชล่าฟันษาก็ต า, ามถ้าไปบอกเลขบอกข้าบอกบัดบอกเบอร์เขาอยู่แล้วเพื่อคู่สู้เขารักษาเช่นหน้าอยู่บ้านไม่ได้ น, นี่เป็นทุนทางเปิดประตูไปสู่ธรรมะชั้นสูงธาตุชั้นสูงธรรมชั้นสูงขันชั้นสูง จิตชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงศีลชั้นสูงอีกแคด้วยบานหน้าไปสู่ไตรสิขาชั้นสูงถ้าต่างกว่าพระโสดาบันลงแล้วเวลาจะตายไปนึกถึงทานศีลภาวนาที่ตนได้ทำบ้า ง, งข้างคนข่าวก็ไปสวรรค์ถ้าไม่นึกถึงเลยก็ไปนรก ไม่เหมือนพระส ว, วันค์พระส ว, วันค์จะสิ้นลมในเวลาไหนก็ตามไม่มนุษย์กสวรรค์มนุษย์ก็เป็นมนุษย์สัมมาทิฏฐิสวรรค์ก็เป็นสวรรค์สัมมาทิฏฐิไม่ใช่สวรรค์โลกีพวกที่ยังหาเนี่าผาหาบัตรหาเบอร์อยู่นี่นั่นไม่ใช่โรกุตระมนุษย์ เป็นโลกีมนุษย์ใช่ไหมนั่นเห็นกงจักว่านอกหัวเห็นเจ้าหัวก็เป็นถูกเอาเรียกไใหมบ้านใหมเหมืองมันยัง่งที่ดินไฝไม่อาบายยมุกที่ดินม่นมยั่งแน่นบ่ใจ่อย นี่เจ้าเน bon ี่ยต e ักขีดินขําสวนหลวงเจ้าเป็นขําสวนมังุดชมบัสสวรรค์มบัสพนมบเปิดประตูวันนี้ได้แล้วจงสิไปได้พระเนปานทำแว่าเปิดประตูวันนี้จ้างกไปได้ทีนีเจ้พระต่พี่ดกก็ไปได้ี <t <t <t ่ห่าไรหาเรียนตนบักตูมังค่าจิจําพระต่พี่ดก ในตั้แปดหมื่นที่พเขารมอาคารกัตาขันยังเสียได้ยล่วงแล้วเหมือช่วงนี้ยุ่ยละมันไปตลรรอดไปต ร, รอดเป็นมนุษย์บ่บัดจั๋วันไม่บัดธมไม่บัดนิพพานไม่บัดอยู่ในตัวด้วยในก้าวหน้าไปสู่ความเจริญแต่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบแต่ก็จะไปถึงพระนิพพานเหมือนกันแต่ยังไม่มีคิวถ้าพ้นจากนี้ไปแล้วก็มีคิวล้ว ถ้าไม่พ้นไปจากอันนี้ลราคิวไม่มีจะเดินอย่งกรมภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่าดําก็ตามเถิดอจะโกนผมจนลอกหนังออกก็ตามเถิดจะนุ่งเหลืองนุ่งดําอะไรก็ตามเถิดไม่เป็นปัญหาอนุ่งอย่างนั้นจะผมผ้าผมผ้าสีกราดสีเหลืองอะไรก็ตามเถิด อ, อจะเป็นโยมก็ไม่เป็นปัญหาน จะนุ่งอะไรก็ไม่เป็นอะไรจะนุ่งสิ้นนุ่งกางเกงก็ไม่เป็นอะไรก็เปิดประตูพหยในพานนี่เนี่จะเป็นคนชั้นต่ำชั้นสูงก็ไม่มีปัญหาจะเป็นโค้กเป็นคนทุกขคนจนขอขาทานขอถือกระบาลก็กินก็ตามก็ต้องเป็นพระโสดาบั น, นมันมีความหมายอยู่อย่างนั้นเพราะคำสอนพุทธศาสนะเมื่อในลำเอียงเขากับชั้นวันลนะเลย จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะรับจะตื่นก็ไม่ใช่นายร่วงแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้คือมีทำเป็นเครื่องอยู่ก็บานหน้าไปสู่ความเจริญถ้าไมอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่ายังไม่สงบเพราะไม่สงบกายคือขาศาสตรตัดชีวิตอยู่ไม่สงบปาจาคือยังพูดเท็จพูดสียเสียมพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออยู่ไม่บ ไม่ไ ม, ไม่ไม่สงบในกาเมสุเมชาางเพราะยังรอบสามีและลูกหลานและผัวและเมียเขาอยู่นั่ง น, นั่งทษดับหยาบยังไม่ละนั่งเขายังใช้ลายพูดปดพูดแท็จพูดส่อเสียบพูดคำหยาบผูดเพ่อเจออยู่นั่นเราใช้ดาดื่มสุนา a m i อะไรยอยู่นั่งกินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นไรหรอกน่มันก็แต่งเอา แต่งเาทั้งกิลเลสของตัวเพราะกิลเลสพาแต่งกิลเลสพาบัญญัติสิ่งเหล่านี้เป็นคนําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งนั้นภาวนาพุทธโธภาวนาอะไรก็เป็นร่าเป็นสรรภาวนาอานิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นร่าเป็นสรร พิจารณาลมหายใจเขาออกก็าภาวนาง่ายต้องการให้จิตหยุดก็หยุดต้องการให้จิตวิจารวิจิตก็วิจารพระบังคับได้แล้วบังคับให้ข้าสาระข้ามาพูดเป็นนัยกรรมก็บังคับได้แล้วถ้าเราอยู่เนื้อจิตเราไม่ได้อยู่แต่อํานาจจิตทำอารมณ์มาสาหัสลายทำชั้สูงยังมีไปกว่านี้อีกอักโหเนี่ย อันนี้มันทําชั้นต้นคนเราเมื่อเดินถูกวัดต้นทางแล้วปลายทางก็ต้องถูกเมื่อไม่ถูกต้นทางแล้วปลายทางก็ไม่ถูกมันก็ผิดไปหมดเพราะนี่เป็นข้อสาคัญมาก บางท่านพูดน้ำไหลไฟดับเออยำพระใจพิุ่กได้คร่องหน้าท่านั่นหน้าท่านนี้เลขกท่านนั่นในเรขกท่านนี้มาในคำพีท่านนั่นมาในคำพีท่านนี้แต่ว่าข่าสับรักซั์ประพฤติดในกามพูดเท็จดื่มสุรามีอะไรอยู่มันก็ภพชนะน้าเปล่า ถังก้นรั่วไม่เก็บน้ำเทใส่เทไ่ก็ไหลออกเลยมันเป็นนิทานจะพาหนูหนูฟูงหนึ่งถูกแมวรบกวนอยู่เป็นนิดจะออกไปหากินในที่ในก็ทำให้ระบาดระแวงแมวตัวนั้นเป็นกำลัง หนูต่างตัวต่างก็คิดเห็นแปบกแปลกกันจึงประชุมปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรดีเราจะออกไปหาอยู่หากินที่ไหนแมวก็มารบกวนอยู่เป็นนิดชุกช่อนอยู่แต่ในรงังอดอาหารจะตายละหนูตัวหนึ่งหนูปรึกษาประชุมกันควรจะเอาลูกควรวนไปผูกคอแมวเมื่อแมวมา ได้สิได้ยินเสียงลูกควรควรจริงจริงจริงๆแล้วแล้วก็จะมีเวลาหลีกนี้ได้หนูต่างตัวตาก็เห็นเห็นดีด้วยแต่มีหนูเกศหนูแก่ตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่นั้นการที่พูดลูกลูหลานพูดอย่างนี้เราก็เห็นชอบด้วยแต่เราอยากจะขอถามว่า หนูตัวไหนจะเอาลูกควนไปผูกคอแมวเราเห็นดีด้วยแต่ว่ารูกหนูตัวไหนจะอาสาเอารูปควนไปผูกคอแมวตกลงก็เลยเป็นโมฆะ น, นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการพูดพร่อยแต่ป่า ถึงแม้ว่าจะเป็นความเห็นดีวิเศษสักเพียงใดถ้าทำไม่ได้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันการที่พูดอยู่อย่างนี้ท่านผู้ใดละได้บ้างถูกไหมพูดเรื่องอรหันต์ก็จริงอยู่แต่ใครบ้างเป็นผู้ละเป็นผู้พ้นจากอรหันต์แล้ว แต่ก็ยังดีกว่าไม่พูดใช่ไหมเพราะย่ได้พยายามข <c oughs> ุดเรื่องดีก็พูดว่ไรใครจะติดปับก็พูดใครอนอกเพื่อนไ่พูดมันกับมันมันกับว่าไงายายไป เ, เ ด, ววด้่นะมันแดนกว่าดีแต่ก่อนมันก็ยังอยากไปง่ายามเนอ <c oughs> มันมีเหตุผลแตก่อนมันมี เครื่องรอจช่กนแจ่ปลาซื้อคันบลูมี่เขาไปใส้เบ็ดนึ่งบลูมี่งังรอมันกับพ ก, กินเบ็ดนหรอให้กินแล้วมันเขามเอาปาคาบ่รอสร้างออกไหมนะ่ะทำชั้นสูงยังมีอยู่อีก ชัน้นสูงผู้จะพ้นทุกข์ไหมว่าตาสงสารคนเราเกิดมาเราเราไม่รู้จักกันว่าท่านผู้ใดสร้างบา ร, รมีมาเท่าใดเราก็ไม่สามารถรู้กันได้ถ้าผู้สร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วก็สาวุพูดทำชั้นสูงก็สามารถจะสําเร็จพาาระอรหันได้เช้นพระพาหิยะทำชั้นสูงไง ท่านในสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วแต่พบก่อนเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเนอะพระพุทธเจ้าท่านเป็นโยมครับพอแล้วพระมายทดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่สําคัญว่าผู้รู้ผู้เห็นเป็นตนไม่สําคัญว่าตนเป็นผู้รู้ผู้เห็นีนี้ขีเดียทั้งหลายก็แตกก็เจออันั่นสร้างตั้นสร้างบารมีมาแล้วแก่ข้ามาแล้ว แต่ใครสร้างบารมีแก่ก้าวหรือไม่แก่ก้าพวกเราก็ไม่สามารถดู ก, กันเป็นแต่เพียงคาดคะเนเฉยๆคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้คงจะบารมีอ่อนอยู่คงจะบารมีสูงอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มีแต่คาดคะเนเดาด้นพราะไม่มียานเหมือนพระบรมสารีรา่นักธุธรรมชั้นสูงบารมีแก่ก้ามาแล้ว เห็นอนิจจังคณะกิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพระโลกจะไปด้วยอนิจจังเห็นทุกคณะกิจหนึ่งพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพระโลกจะไปดัวความทุกข์เห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มมีประมาณด้วยแผ่นดินนะสองแสนสี่หมืนโยชน์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากกว่านั้นอีกมากกว่าเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝน พระพพระพุทธศาสนาะมีคำสอนอันเดียวกันเมื่อด้รบแรงล่างพระรบกันเลยสอนในคนปลดอาวุธในทางเวรไภอันละเอียดก็ชัดละเอียดก็สอนสอนชัดสูงม่สสำคัญตัวในที่ใด ด, ด้วยมีแต่กองทุกข์นั่นหงหุอมอยู่ในรอดเต็มไปด้ยวยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเจสาผมโรมาขนหน้ากาเล็บ ทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อหน้ารูเอ็นอัฐิกระดูอัิเป็นช้างเยื่อเนี่ยกระดูหัวกลางว่ามัธยังหัวใจยักษ์ังตับเจโลมักกลางปังผือพิษกังไตพระปาสังปอดอันตรังไสใหญ่ปลข้างหนึ่งอยู่คอหอยใต้ข้างหนึ่งอยู่ทวารหนัก ทบไปทบมามียี่สิบเอดบทอันตะโังสายรัฐสายอุทริยางอาหารใหม่ก็ได้สังอาหารเก่าที่คืนลงไปประปนกันอยู่เวตทางน้ำดีฝังอยู่ใต้ตับเสียนทางน้ ำ, นำเฉลตฝังอยู่ที่คอหอย คืออาหารลงไปก็แหวนน้ำเสดลงไปพอจมไปแล้วก็ปิดปับป๊บปับป๊บปั๊บป๊เลยถ้าไมมีน้ำเสดขังอยู่ในนี้พวกเราก็พูดกันไม่ได้เม็ดครุ่งเลยเพราะท่านกินปฏิกูลจะออกมาดีเสดน้องน้องเกิดตามชีระบาดแผลเลือด ตั้งท่วห ม, ม้ามหัวใจตับปอดไหลซึมชาบลงไปที่หม้อ่ที่ตับที่ปอดอยู่ที่นาเล็กแคน้อยน้องเกิดขึ้นอยู่ตามศีระบาดแผลเลือดเป็นสองสองอย่างเลือดข้นเป็นก้อนท่อมา้ามหัวใจตับปอดได้ซึมชาบลงไปในตับในปอดที่นาเล็กแคนนอที่เป็นาจางๆเลือดนไม่เป็นก้อน เชือมทราบอยู่ทั่วสกปรณร่างกายเว้นไว้แต่ผมและเล็บและฟันอันเป็นของแขนเสียและกระดูดีน้ำดีน้ำสเสลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเงือ่ไหลเชือมทราบออกตามขุมขนขุมผมน้ำมันข้น อยู่ที่ฝ่ามือฝ่าเท้าล้างมือล้างเท้าหรือจะงอยบ่ากเปรียวมันอยู่ในลําไส้อยู่ในท่อน้ําลายที่เกิดน้ําลายอยู่ใต้ลิ้นซึมซาบออกมาอยู่ในกับคั่งแก้มท่ามสองถ้าขัางไว้น้ําในบ้วนทิ้งก็เหมินเห็ุนั้นเราตื่นขึ้นมาจึงเหม็นปากเพราะเราไม่ได้บ้วนทิ้ง บางทีก็ไหลออกบาชีนอนตะแคงอย่างนี้ก็ไหลออกน้ำลายพอรู้ตัวมาตื่นขึ้นมาก็ต้องเอากระดาษงั้นมาเช็ดถูจนแห้งถ้ายันก็แม้นสาบกระดาษเอามาใมมันถูหน้ามูกก็ออกออ ก, ออกมาจากมันสมองน้ำไล้ข้ออยู่ตามข้อกระดูก นั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นน้ำหมอยู่ทั่วทั้งกายนั่นก็เอ็นผูกมัดรัดเรืงกระดูกไว้นั่นก็กระดูกเป็นท่อนๆประมาณสามรอยท่อนนั่นก็เยื่อในกระดูกเหมือนยอดหวายที่ เขาบอกค่อยอ่อนๆแล้วเอาไปยัดใส่กระ บ, บอกไว้นั่นก็มน้าม เ, เหมือนดอกบอัวตูมถ้าเอาเมตดผ่าออกแล้วก็เหมือนดอกบอัวตูมอย่างนี้นเอาเม็ดผ่าออกอนะ่ะมีน้าอยู่ในนี่ประมาณซองมือหนึ่งเวลาเวลาเราโกด หน้าห้อยใจก็ดําเวลาเรามีทานมีศีลมีภาวนาน้ําเรื่องห้อยใจก็ขาวออกเมื่อเวลาเราโกรธน้ําหัอใจก็ออกมาเหตุนนะั้นจึงหน้าดําหน้าแดงเวลาเรโ <c oughs> ารโกรธเวลาเรามีราคาจัดก็เหมือนกันมีเวลาโทสะจัดก็เหมือนกันะ เมว่ากายยนครผู้ในรู้ตามมันจริงของกายผู้นั่นราคะของผู้นั้นจะเบาลงผู้เมราคะมากคอยแต่จะลงหนังผู้นั่นต้องพิจารณาอันนี้แหละให้เห็นเป็นปฏิคูลอย่าให้เห็นเป็นปฏิกอดรู้จักไหมผู้ที่โกรธเขาพูดอะไรอะไรก็โกรธง่ายเต็มที อยากฆ่าอยากแกงก็เอาแผ่เมตตาเราได้ท่านผู้อื่นก็รักชีวิตของตนเพรเราจะเป็นสุขเถิดยังมีเวรนิพพยกับท่านผู้ใดเลยพอเอาเราเป็นพยานแล้วก็แผ่เมตตาไปทั่วทั้งใจโลกธาตุานะเขาก็ชอบสุขเราก็ชอบสุขเราเป็นจิตอันหนึ่งแล้วไปภาวนาอันหนึ่งมันก็ไม่ถูกกันผู้ใดชอบโกรธง่ายก็ต้องภาวนาเมตตา เมไ่อชอบรักสวยรักงามพอเห็นเพศตรงกันข้ามก็เตรียมจวรักเลยอย่างนี้ก็ต้องพี่ณะอสุภาถ้าไม่อย่างนั้นกิเลสมันก็หัวระ้งถาไมอย่างนั้ น, น, น, นคนปวดศีรษะผนเป็นไข้เราจะเอาไปเอาอยา แก่ท้องผูกมาให้ฉันเราจะเอายาอันอื่นมาให้รับประทานมันก็ไม่ถูกคุณหมอวางยาไม่ถูก่นถ้าเราในด้านปัญญาทนียถ้าเราเห็นว่าเที่ยงในโลกนเป็นของเที่ยงเราก็เอาของไม่เที่ยงมาภาวนานิจสัญญา ก็เอาอันนี้จะสัญญามาแก้ของสวยของงามก็เอาของไม่สวยไม่งามมาแก้ของที่พาให้โกรธก็เอาอันไม่โกรธมาแก้เรียกว่าสัญญาสัญญาต่อสัญญาสัญญาแปลว่าความจำความจำว่าเป็นของเที่ยงก็เอาความจำว่าเป็นของไม่เที่ยงมามาแก่ความจำว่าเป็นของสวยของงามก็เอาความจำอันเป็นของไม่สวยไม่งามมาแก้ถ้าไม่อย่างนั้นมัน ก็ไม่หายเน่พระวางยาไม่ถูกเัาโรคอะไรก็เหมือนกั น, น, นเป็นโรคอันหนึ่งก็วางยาอันหนึ่งมันก็ไม่ถูกเช่นจับไข้ ย, ย่าเนี่ก็วางยาปวดท้องใส่มันก็ไม่หายเนี่ยทํแต่ละวัระบาดเป็นยา รักษาโรคหมดเรียกว่าโอสถสังหมดมังมาลาท่านอาจารย์จวนเดินจงกรมมันทำไมมันจึงรัดรูปสวยโด่งามแทะท่านก็เอากระโหลกควายมาแขวนคอเดินจงกรมกลับไปกำลังว้วนนำลายใส่ด้วยบางท่านก็เอากะโหลกหัวผีมาอืม มาไหวท้ที่ที่นอนมันรักที่ไหนรักที่ไหนเอาดมแก้มมันดมแก้มก็ลงเขาผีหนะึ่งไม่หาโอบายไม่หาโอบายเอาจับยาบใส่มันไม่ได้เพราะกิเลสบงร ย, ยาบก็ต้องเอาโอบายยาบใส่บ้างท่านไม่หยาบท่านก็ไม่ต้องหาโอบายหยาบต้องเอาเ อ, าเอาบายละมุนละไมผู้ที่ยาบยาบก็ต้องหาเอาโอบายจ ย, ยาบเนี่เราเบี่ยงขี้ออกอ่ะ ที่ออกนั่นแหละเอมึงว่าอร่อยอร่อยเมื่อวานนี่มึงกินสิบอกมันมันชอบอยาบก็เอาอยาบใส่มันไม่เห็นทวาองค์สมเด็จที่นี่ ไปทะเลเขาพ่อแม่ผู้ฉลาดาไปทะเลเขาไปตบเขาอย่างนี้ตบหน้าเขาอย่างนี้พ่อแม่ก็มาตบหน้าดูเนี่ยเธอไปตบหน้าเขาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเขาชอบไหมที่นี่อพ่อไปตบหน้าลูกลูกชอบไหมเขาอย่างนั้นลูกก็ไม่ชอบเมื่อลูกไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบลูกเอ๋อโอบาย oh, bye. มีเมียคนหนึ่งอยู่อยู่ที่อุดรมีเงินอยู่ร้อยบาทสองสามร้อยบาทหลังผัวไปคบคนดื่มสุรามามากินมากินในบ้านนจนเทีย่ยงเขาก็กลับบ้านหมดที่เงินก็หมดที่นางนั้นมันเป็นคนฉลาดที่อุตส่าห์เอาถ้าจะทํานาหน้าบูดบึง้งต่อแขกก็ดูว่าเทเกียม แต่เงินมีน้อยพราะเขากลับบ้านแล้วเขาขับเมาไปบ้าก็มีแต่ผัวแล้วก็พูดเป็นภาษาภาคอีสานพอไ อ, น อ, อน้นอังพอไอ้นา่งเงินยังเงือสามลอยเดียวนี่มืดแต่ได้ยัยสั่งมืออื่นให้ให้เจ้าอเาอาพอเจ้ามา ก, กินอีกได้เงินเท่ามืดแต่ได้ยัยสั่งคอยอดเอาเกี๊ยวไต้ได้เมื่อนี้ไว้สั่ง คอยว่า่เจ้าอะไรเขาอยากมาขายนาคอยขายนาเจ้าอะไรขายนาทั้งสองมันบริเวประโยชน์ก็ยังวันนี้เขาลา อ, อยางเช่นนี้แล้วคอยจะว่าให้เจ้าอะไรหาด้วยเนี่ยจะเอาเจ้ า, เอ า, เ, จาเอาพอเจ้ามากินอีกได้เงินไม่ย่งจั๊กต่างเรียนนี่นนว่าแต่แสดว่าเคดเมียเขาเขาท่างดีเด้โอเคสั่วบือ่อเขามากินเราเยอะเงนินจั๊กเทียแล้วเมียพูด น, นมันสลดัดท่านะฟังอย่างนี้พูดออกไห อพูดอย่างนี้ฟังออกไหมหนะกตปีเสียงห่ววาย <c oughs> พูดไม่ออกทีนี้คนหนึ่งก็เมาสุราเมาสุราแล้วกับเปลยกายทำอะไรก็ทาหมดแล้วแรปริ่นปริ่นตาอะไรก็ทําหมดแล้ว เด็แล้วผู้ใหญ่ก็เขาตามหลังโหดูเปลือกายเนี่เปลืกปอกายก็เดินรอบบ้านฟ้อนฟ้อนด้วยยิ้มด้วยมีผู้ไปบอกผัวมึงเปลือกกายแล้วเดี๋ยวนี้มึงไปดูดู เปลืกกายไม่รู้ว่าทิ้งที่ไหนผ้าผ้านุ่งผ้าห่มกางเกงก็ดีหรือไม่เออภรรยามาก็ถือไมคานไมคานหามน้ามาแต่ไม่แต่แต่ไม่ ต, ตมีคุณมาทําอย่างนี้ทํำขายหน้าของดีฉันเครื่องนุ่งห่มของพวกเราก็มีอยู่ชอบนุ่งห่มอะไรพวกเราก็ให้นุ่งให้ห่มอยู่ไม่ได้อคัดข้องกัน ถ้าคุณทําอย่างนี้ต่อไปเองไปเดี๋ยวนี้ดนฉันก็จะไม่ทุบแมต่ตีดอก ท, ท, ทําท่าเฉยถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านไปแก้ของกันทิ้งกันวันนี้พวกเราเลิกกันวันนี้พวกเราพูดใจดีๆเนี่ยทําอย่างนี้ก็ทำคล้ายหน้ากันคนคนที่เขาถือผ้าไว้ฮะเขาก็เลยเอามาให้นุ่งนี่ ก็เลยกอดคอกันกลับบ้านทำอย่างนี้ไม่ดีถ้าเขินทำอีกก็จะไม่อยู่ด้วยกันแล้ววันนี้ต้องเลิกกันมีอะไรก็แบ่งกันในวันนี้ละมันพูดดีๆมันไม่ดุแต่นั่นมาก็เลิกกินสุราเลยนะรู้บ่ายมันดีมันสู้ความดีไม่ได้นั่น กินสุราเลยไม่ได้กินอืมีผู้มาชวนดื่มสุราเออภรรยาของเราดัดเราเก่งเราซู้ใหม่หม ห, หดอกหมู่เพื่อนก็รู้แล้ว ม, มันถูกคำที่เขาพูดเราต้องเอาตามเขาถ้ามันผิดเราก็ไม่เอาสอสนแสดงให้เห็นว่าผัวก็นักปราชญภรรยาก็นักปราชก็อยู่กันได้กันได้นะตักเตือนกันได้ไม่เอาแพ่เอาชน ะ, ะเรื่องกระควรเอาเป็นเรื่องใหยา่า ที่เขาทำผิดก็เลยกลายเป็นของดีเป็นเยี่ยงอย่างของผู้ิุชนภายหลังเอาละอันนี้เอวางละมันเหนื่อยแล้วพุทโธธโมทโังโคนิพพานภาวนาพุทโธเนอะภาวนาพุทโธพัฒภาวนาเกิดแก่เก็บตายภาวนาให้เห็นภายในวัฏสงสาร พระเจ้าสงสารเนี่ยทำชั้นสูงพ nice. ระอหันตท่านหาความสุขในโลกไม่เจอว่าจะ ไ, ไม่พบไม่ปะไม่เห็นเพราะมีแต่จริงที่เมีเที้ยเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรว น, นแล้แตกสลาย <S <S 2> <S 2> <S เหตุ น, นั้นท่านจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซะทำชั้นสูงมาเอาละกั ทุเกเจแปโนเบื้องต้นเรียนโมคือปสดาวันสุข้าโตพระกวาตาธรรมูพระธรรมของพระผู้มีพระเจ้ากล่าวดีแล้วนั้นแบ่งออกเป็นสี่คู่โซดาปัตตมักโซดาเจผลเป็นคู่ที่หนึ่งสัปตะไครมักสัตตะผลเป็นคู่ที่ส อ, องอนาไครมักอนาไครผลเป็นคู่ที่ 4. สามอนัตตมักอนัฐสผลเป็นคู่ที่สี่สุขาโตพระกวาตาธรมโม แม่ออกเป็นสี่พวกโซค้าธรรมของพระทหารโซค้าธรรมของพระอนาคามีโซค้าธรรมของพระสกทาคามีโซค้าธรรมของพระสวดาบันเป็นสุภจรปโนเบื้องต้นสันทิทิโกพระสวสดาบันเห็นเองสันทิทิโกสกทาคามีเห็นเองสันทิทิโกพระอนาคามีเห็นเอง สันทิฏฐิโกพระรหารพระทหารเรียนสันทิฏฐิโกจบแล้วพอเห็นชอบแล้วเห็นว่าไม่มีโรคมีโกรธไม่หลงอโลโกตระมันแบ่งออกเป็นสี่ตามควานั้นลงมาเป็นโลกีนโมโลกีคือนโมยังไงนโมเลขนโมผานโมบัตต์นโมเบอร์แต่มันถูกไม่ล่ะมันก็ไม่ถูกกับโลโกตระแต่มันก็ถูกกับโลกี ก็โรกีเข้าใจผิดเป็นเมตขาทิตินโมเรกนโมผาณโมวัดินโมเรียกว่าตีความหมายของนโมเป็นเมตขาทิติความเห็นผิดถูกไหมนโมเบื้องต้นของพระสดาวันน้อมน้อมพระสมาสัพพิจานณโมเขาทองน้อมเรียพระสมานสัพพเจาา้ารณผลานตะสมมานสัพธเจา้าพรณโพงนั้ น, น่นแปลนโม พระสัดว์วันไม่แชร์ดาลวงละเมิดศีนห้าไม่แชร์ดาลวงละเมิดอบัยสมุคไม่แชร์ดาอยากกระถือศาสตราอื่นไม่แชร์ดาอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่แชร์ดาอยากจะถือเลิกดียามดีไม่แชร์ดาอยากจะจองเวียนท่นานก็ดไม่แชร์ดาอยากค้าขายกัอบอาหาร้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรื่องสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าข า, ายน้ำเมาค้าขายยาวิษ การค้าขายหายอย่างนี้พระโสดาบันก็ไม่ใช่ได้ร่วงระมึดเลยสิ่งไหนที่ท่านไม่ใช่ได้ร่วงระมึดสิ่งนั้นท่านก็ไม่หนักใจทใําไมยังไม่ใช่ได้รวงระมึดเพราะเห็นว่ามันเป็นเมิจฉาทิฏฐิมันเห็นเบ็ดพระโสดาบันเป็นสมาธิเบื้องต้นเห็นชอบเบื้องต้นเห็นอ น, นิจจังชัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมรา สังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็ดับในอดีตแล้วสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก่อจะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นจะดับในปัจจุบันแต่สังขารของท่านเขาแยกออกเป็นสองปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบุญอปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาปอเนจรชาพิสังขารอภิสังขารคืออเนจรชาที่เป็นโลกุตระด้วยที่เป็นโลคีด้วย ท่านคบแตกนะฮะคบโลกิยาศีนโลกิยาสมาธิโลกิยาปัญญาโลกุตระีลโลกุตระสมาธิโรกุตระปัญญาปัญญาพระโสดาบันปัญญาสักขาคามีปัญญาพระอนาคามีปัญญาพระานันท์ปัญญาของชาวโลกีที่ทําเครื่องบินรถยนต์ได้อย่างนี้เขาเป็นปัญญาชนิดหนึ่งไม่รับเข้าในปัญญาของพระโสดาบันปัญญาของพระโสดาบันเป็นปัญญาสัมมาทิฐิ เห็นชอบแล้วเห็นดิ่งไปจนถึงหนทางเข้าสู่พระนิพพานตกกระแสรพระนิพพานแล้วไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเส น, น้าไม่เสียดายอยากล่วงละเมิด อ, อบายามุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิศดียามดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรดานโพได้ไม่เสียดายอยากจะถือศาสตร์อื่นนั่นสัมมาเทศติเห็นชอบแล้ว ต่ำกว่านั้นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้เป็นน้ำไหลวนเป็นคนหลายใจเรียกว่าโลกุตรศีลโลคุตรสมาธิโลคุตรปัญญาโลคุตรเจตนาก็คือพ ร, ระโชติอาบัติพระโชติอาบติให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ได้เพื่ออยากได้เลขได้ผาได้บัตรได้เบอร์เพื่อพระนิพพานสิ่งเดียวเข้าใจนะไม่ได้หวังเพื่อ อ, อ, อื่น ให้ทานรักษาศีลภาวนาน้อยก็าตามมากก็าตามมีเกตนาแะความหวังเพื่อลูกแจ้งในพรนิพพานเท่านั้นเพื่อบรรทุกในวัฏสงสารก็ว่ามีเกตนาอันเดียวดิ่งเลยเหตุนั้นจึงเป็นผู้ไม่หลงทางจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตกกระแสพรนิพพานแล้วแต่เพ้นจากเกเรเป็นเอ ก, กเทศแต่ไม่ขบวนคืน จะยืนเดินดังนอนรับตื่นก็ไม่ขบวคืนไม่สงสัยว่าเราจะขบวคืนหรือไม่ไม่สงสัยในพุทธศาสนาด้วยสักยะทิฏฐิไม่ชื่อตนถือตัวในพุทธศาสนาวิจิชิตขาไม่ลังเลสงสัยในพุทธศาสนาเลยชีรพัตรปรามาก็ไม่ลูกครัมพระพุทธศาสนาเลยภูมิพระสวัสดิวัน เป็นภูมิของโลคุตระเป็นที่พึ่งอันกเกษมของตนจบาล น, น้าไปสู่พระินปาลไม่ถอยหลังเลยจะเดินชาหรือเร็วก็ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างชาก็เกิดอีกเกตชาตย่างกลางก็เกิดอีกสามชาติย่างเร็วเกิดอีกชาติเดียวก็เข้าสู่พระเนปาลไปสักพระสวัสดิ์วันมาดาของปะปรมศรราสดาของเรานะ เป็นพระโสดาบันเองกับพิชิตคือจะได้เกิดอีกชาติเดียวจะเกิดที่เมืองอพาราณสีแล้วพระศรีญาเมตไตก็จะได้ไปเกิดด้วยเพราะปฏาฏาริยเป็นมานดาของพระพุทธเจ้ามาห้าห้าพระองค์แล้วโอษีพระองค์แล้ ว, ลวยังเหนือแต่พระอธิยกรรมเมตไตท่านจะได้เกิดอีกครั้งหนึ่งส่วนพระโสดาบันที่ถึงพระโสดาบันแล้วจะสามารถถึงอนาคามี สักราคามีนาคามีในชาตินี้หรือสามารถจะสาเร็จภารันในชาตินี้เหมือนพระอานุนั้นไม่จัดเข้าในเอกภพีไม่จัดเข้าในโกลังโกละไม่จัดเข้าในสัตตกขตุประมะแปลว่าพระสวราบันรอตจำเนงเพื่อเพิ่มทุกข์ในปัจจุบันในชาติถ้าผู้ใดเสียดายเล่นเลขอยู่ผู้นั้นไม่ใช่พระโสดาบันเนออเพราะไปยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ พระเล็กมันเป็นมนุษย์นิวัตร»,มันก็เป็นสวรรค์นิวัตรมันก็เป็นพรหมนิวัตรมันก็เป็นพระนิพพานนิวัตรเหมือนกั น, กนต่อไปนี้ก็เกรงว่าจะเสียเวลาพระจะได้ไปฟ้าพยอมใช่ไหมไปหาที่นั่งเทนอดถ้าอย่างนั้นก็ให้พอนกันสักนาทาวาีิว า, าวภูราพนิ้เลินทิสา ข, ขลังเอวเมวิโตตินาเปตานุปกปติ มิจิตังมัจจิตังตุมาหังชีพมิวะสมิจตุสเพปุริณฑูสังกปาจันโทกนารโสยตานิโชติเตโสยตาสัเพตโยยวัจนะสัพโตโกวินัสัตุมาเทผวัตตุอันตรายโสุขธีขายโยโกโลอภิวัจนะสีนิจานิจังโมต้าปิชายโรจัตารุธรรมวัจันติอายวันสุขังปารัง ในอย่างพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาทแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยเมื่ขึ้นอยู่กับพวกรู้และวมารู้เมื่ขึ้นอยู่พวกผู้เชื่อแล้วมั่นเชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีทั่วทั้งใจโลกาย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญในมรรคในพระพุทธศาสนาพ้าพเจ้ามาถึงพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดูกันโดยไม่เหลือในพระจิบานะจิตปัะจิบันธรรมอยู่ทุกเมื่อเือธรรมจิ เปิดมาสร้างความดีจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีจะเป็นผู้เนี่ยใจถึงในทางทาชั่วจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีจะเป็นผู้มีอิสระในทางทําชั่วจงเป็นผู้สามารถในทางทําดีนึกดีคิดดีจะเป็นผู้สามารถนึกชั่วคิดชั่วเราคนดียวเป็นมนุษย์โลกไม่ได้ เราคนเนียวเป็นประเทศไม่ได้เราคนเนียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้อีกเป็นจังหวัดไม่ได้เป็นอำเภอไม่ได้เป็นตำบลไม่ได้เป็นหมู่บ้านไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้เป็นกระทรวงไม่ได้เป็นวัดไม่ได้ เป็นโรงเรียนไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้ต้องอาศัยพักพวกปัวมดมันก็ควบคุมกันอยู่เป็นพวกพวกแต่มนุษย์เราคำสอนพุทธรรตศาสนาควบคุมแล้วละอายต่อบาปกลัวต่อบาปเป็นคนเคยได้ยินได้ฟัง เป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะปรึกษาสิ่งใดๆครัใครๆก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตัวนักผู้อื่นจะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตัวนักผูอื่นจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตัวนักผูอื่นจะทำสิ่งใดก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตัวนักผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีทงชั่วให้ชั่วเป็นต้น ให้ทานโดยขารอบคือเอื้อเฟื้อแ ก, ก่ของให้ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่อาการดุดทิ้งเสียนี่พระบรมศาสตราสอนคำไหนที่พระบรมศาสตราสอนชาวโลกคำนั้นวัดนั้นตอนนั้นไม่มีที่แสงเลยเมตตาความรักใครปรารถนาจะให้เป็นสุขกัลณาความสงสารที่จะช่วยให้คนทุกข์ มุทิตาความพรอยยันดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสิ่งที่เหลือวิสัยช่วยไม่ช่วยไม่ไหวก็โอเบขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความมีบัตสีอย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ที่ไหนสอนได้ดที่ไหนไม่สอนไม่มีเลยพระบรมศาลาสาสามัคคีไปทางดีก็ได้รับผลดีสามัคคีไปทางชั่ว ก็ได้รับผลชั่วสามัคคีนั่งตะโพสุขโขความสามัคคีแห่งหมู่นำมาซึ่งสุขไม่ามาสามัคคีกันไปทางดีสามัคคีกันไปเล่นเล็เล่นผาเล่นบัดเล่นเบอร์ไปเพียบหายตายหงหมดสามัคคีไปกันไปรักซกยกห่อมันก็เพบหายตายหัวหมด เกิดมาพบสุขสมัยเราหญิงชายชาติใจใจองคอาจในรัช ก, กาลที่หกต้องรักชาติและบ้านเกิดประเสริฐศีรักสัตสยามินถิ่นที่อยู่พระบรมราชา รองกดก้าวจ้าชีวีของชาวไทยในราการที่ยแม่ศัตรูคิดร้ายทำลายจาต้เง่ารบสู้อธิราชจนตักใส่ไม่ได้จิตอมหิตคิดชิงไทยไม่ยอมแพ้แต่ใครหมู่ไวรีแม้จะตายไว้ได้ให้รืชาติสู้อำนาจเกียรติเท่าเช่ากรุงศรีจังหวัดทรงชาติไทยไว้จงดีอย่าให้มีวันเคลื่อนเลื่อนลงมา ไทยรักไทยใจเดียวคงเกลียวอยู่จะเชิดทูเมืองชาติศาสน า, า, า, า, าจะลือนามสยามรักรตนาช่วยดินฟ้ายืนยงดำรงไทยคือรักษาไม่ให้กิเลสทวีขึ้นนะครับโทสะโมหะอย่าให้มันทวีขึ้นให้มันห้ามเบรกลงบ้า <c oughs> ประเทศทมประเทศไว้ใน ป ร, ประเทศรูปเทศสะอยู่ในประเทศอันสมควรคือคือคิดใจเป็นประเทศที่สมควรไม่ให้มีเวเนัยเรียกว่าประเทศใจไม่ให้มีบาปเกิดขึ้นมากอาตมาปณิชตั้งตนโดยชอบสัทธมัตสมณะหังคำสั่งสอนของพระสมาสัพพุทะเจ้าโดยเคารพโยนิโสมรัชิการ ตตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือช่วยโดยอวายที่ชอบธรรมานุธรรมปฏิปฏิประพฤติธรรมสมควรแห่งธรรมที่ได้นึกตรองเห็นแล้วมีแต่เกนพระพุทธศาสนาสอนกุศลนรมูลสามอย่างห้าเข้าของกุศลเนี่ยกุศลนรมูลสามอย่าง คือโลภะไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนหนึ่งโทสะไม่คิดประทุษจะให้ผู้อื่นหนึ่งโมหะไม่หลงหนึ่งไม่หลงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีบาปต้องมีบุญต้องมีถ้าเราสร้างขึ้นเมื่อกุศลละมูลเหล่านี้หนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้ว กุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรให้มีในสันทะในคันทะสันดาณอากุศลละมูลสามอย่างรากเน้าของอกุศลเรียกอกุศลละมูลมีสามอย่างคือโลภะอยากได้ของท่านผู้อื่นมาเป็นของตนหนึ่งโทสะชิดประสุษร้ายผู้อื่นหนึ่งโมหะหลงไม่รู้จริงหนึ่งเมื่ อ, อกุศลละมูล เราเนี่ยหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วบาปที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียมีเตนเนื้อไม่มีกระดูกคําสอนพระพุทธศาสนาใครจะเก่งสักเพียงใดก็ตามก็เนรุ่งก้า ง, งพระพุทธศาสน า, านั่นเองจะแต่งเรื่องกินตะกเวทเพียงใดก็ตามเพื่อแต่งเรื่องจริงให้เขื่อง เพื่อให้ไตรรัตในเชิงข่าวก็ยกออกมาจากคําสอนพระพุทธศาสนานั่นเองไม่ยกมาจากทางตรงก็ยกมาจากทางอ้อมทางไม่ยกมาจากทางใกล้ก็เอาทางไกลทางลึกซึ่งมาแยะแล้วเอามาเป็นคําสอนของตนอ้ที่แท่ก็ลําเลียงออกมาจากคําสอนพรพุทธศาสนานั่นเองเพ <laughs> าท่านพูดก่อนเราแล้ว พระบรุษมาศาสตราประสบก่อนเราแล้วความชั่วก็เคยประสบมาความดีก็เคยประสบมาแล้วประสบการณ์มาแล้วเหตุนั้นจึงได้มาสั่งสอนพวกเราแบบพึงขายเลยอันนั้นเราก็ได้ผ่านมาแล้วมันไม่เป็นประโยชน์อันนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ผ่านมาแล้วมันเป็นประโยชน์ประสบการณ์ก่อนพวกเรามดทํามาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ อยาบิดเบือนไปในทางอบายมุก